ทำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วให้เพิ่งพากันตั้งสติให้แน่วแน่ใจจะสงบได้ก็เพรา ะ, ะอาศัยสตินั่นแหละมันลึกเข้าไปหาความรู้สึกนู่น เอาสติเข้าไปประคองไว้มันยังค่อยสงบอยู่ได้จิตนี่นะจิตนี้ถ้าขาดสติแล้วมันไม่อยู่แล้วมันย่อมคิดสายไปสสยมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ตนเองเท่านั้ น, นช่วยตัวเอง โดยอาศัยที่ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ตามปกติเนี่ยจิตนี้มันย่อมคิดไหลไปภายนอกนู่นมันไม่ใช่มันคิดอยู่ภายในเนี่ยนั่นแหละเรามาฝึกให้มันคิดอยู่ภายในนี่บัด น, นี้นะ แอมาคิดดูอัตภาพร่างกายนี่อย่าให้มันชอบคิดออกไปภายนอกในขณะที่เราเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาต้องฝึกให้เข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้เลย กิเลสมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ่ะกิเลสมันผลักดันเอาไอ้เราก็ผลักดันกิเลสเหมือนกันเนะี่ยสู้กันมเมื่อเราเข้มแข็งเราก็เอาชนะกิเลสได้นนะการเจริญพระกรรมฐานจะเจริญพระกรรมฐานบทใดก็ช่าง แต่ถ้าใจอ่อนแอแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่กำลังใจเมื่อใจเข้มแข็งเมื <c oughs> ม่อใจเข้มแข็งแล้วมันก็นิ่งอยู่ได้เช่นบริกรรมพุทธโธอย่างนี้ถ้าหากว่าใจไม่เข้มแข็ง ไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนึกพุทธโธมันก็ส่งออกไปข้างนอกนู่นมันไม่เป็นทางในความสงบแบบนั้นต้องนึกพุทธโธทวนกระแสเข้ามาภายในนี่ให้มันมาอยู่ที่จิตนะพุทธโธผู้ที่บริกรรมพุทธโธแล้วใจมันสงบลงได้ก็เอา แต่ว่าต้องให้ทวนกระแสเข้ามานึกอยู่ภายในใจพุทธโธต้องอยู่ที่ใจจึงใช้ได้อันนี้เป็นวิธีที่จะทำใจให้สงบในเบื้องต้นนะผู้ดใดไม่กล้าหารที่จะมาทวนกระแสจิตเข้ามา ในปัจจุวัลนี้เราทำจิตให้สงบไม่ได้จริงๆนะให้พากันเข้าใจคำว่าทวนกระแสจิตนัน่นคือว่าเราหยุดคิดส่งออกไปข้างนอกหดความคิดเข้ามาภายในหดสัญญาความจำอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามาภายในเนียยว่า หดโโโโโโโความคิดความนึกเข้ามาให้หมดเลยอย่างนี้แหละอย่าให้มันยืดออกไปถ้าว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วไม่มีทางนะที่จะทำใจสงบลงได้ต้องหัดก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละปกติคนขี่นี่มันชอบคิดส่งไปในอารมณ์ต่างๆ เหมือนกับลิงไงธรรมดาลิงนี่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้มีแต่กระโดดโลดเต้นไปใส่กิ่งนน้นวางกิ่งนี่ก็ไปจับกิ่งนน้นเลื่อยเปลยไปอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ฉันใดจิตสีก็วิ่งไปตามอารมณ์อยู่อย่างนั้นแหละทิ้งอารมณ์นี้แล้วก็ไปยึดอารมณ์นั้น ทิ้งอารมณ์อารมณ์นั้นแล้วก็ไปยึดอารมณ์อารมณ์โน้นวกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้น <c oughs> เมื่อพิจารณาดูแล้วมันน่าเบื่อจริงๆเนะ่ยเบื่อความคิดตัวเองคนเรามันต้องรู้จักเบื่อเป็นถ้าพ้ใดเบื่อไม่เป็นแล้วไม่ไหวมันจะไม่ยอมส ง, งบ เราต้องทำความพอใจในความสงบนั่นให้มากเบื่อความคิดความนึกต่างๆนั่นเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็หาทางระงับเท่านั้นแหละถ้ามันไม่เบื่อมันพอใจคิดอยู่อย่างนี้มันจะไม่ยอมหยุดคิดเลยนั่นนหละมันจะปรุงแต่งไปเลยอยู่อย่างนั้น แม้ว่าผู้ที่จะเจริญกรรมฐานอะไรก็ไม่ไหวไม่ได้ผลดังนั้นในในในเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากถ้าหากว่าเราควบคุมจิตตอนต้นนี้ไม่ได้แล้วตอนกลางตอนปลายมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องพยายาม เนี่ยที่ท่านสอนให้เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็มันเป็นวิธีที่ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในม่ให้ส่งใจไปภายนอกไปในอดีตอนาคตนั่นเองเนี่ยให้มากำหนดรู้กายรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ทำยังไรเราจะทำความรู้กับกายกับจิตนี้ให้มากที่สุดก็ทำเลยมานี้ตามปกติมันจิตใจนี่มันไม่ชอบมันไม่ประสงค์ที่จะมาพิจารณาตัวเองเท่าไหร่นักส่วนมากมักจะส่งสายออกไปพิจารณาเรื่องอื่นบุคคลอื่นนู่นไปเพ่งเล็งคนอื่นนู่น การเพ่งเลงไปมันก็มีสองอย่างเพ่งไปด้วยความรักอย่างหนึ่งแล้วก็เพ่งไปด้วยความเกลียดชังอย่างหนึ่งเนี่ยจิตใจมันชอบนักใ้เรื่องพันนี้นะแต่ตัวเองนั่นเหลวแหลกคืออะไรอ่ะไม่พิจารณาเลยยังสำคัญว่าตนนั้นดีอยู่งั้นแหละถ้าว่าตนดีอยู่จริงเนี่ย มันก็จะไม่เพ่งไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าเกลียดชังต่างๆเหล่านั้นเลยต้องให้เข้าใจอย่างนั้นธรรมดาคนดีทั้งหลายย่อมรู้จักตำหนิตีเตียนตัวเองเป็นไม่จำเป็นยิงๆก็ไม่ไปตำหนิคนอื่นเพราะคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นนะของใครของมันนะต่างคนต้องตำหนิตัวเองเอา คนเราจะไปคอยแต่ผู้อื่นตำหนิตีเตียนจึงจะทำความดีได้จึงจะละความชั่วได้เช่นนี้เนี่ยนับว่าไม่สมควรเลยอไม่ถูกต้องและบางคนก็ไม่พอใจผู้อื่นตำหนิตีเตียนแต่ตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้คนเช่นนั้นยอมเอาดีไม่ได้เลย ยอมจะฝึกกิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ได้คาแต่ทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างนั่นแหละจิตมันก็ลงสู่สมาธิไม่ได้เลยดัยงนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องของใครของเราอะว่าขณะนี้จิตของตนเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงมันแข็งกระด้างหรือมันอ่อนโยน หรือมันอ่อนน้อมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ต้องรู้ตัวนหะทุกคนต้องให้รู้เรื่องตัวเอง่อาไปคอยให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนจึงจะทำได้ผู้อื่นเพื่อนก็ตักเตือนเราได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะ่ะไม่ได้ติดตามตักเตือนอยู่ตลอดเวลา ต, ตัวของตัวเองนั่นแหละ เตือนตนเองอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเพืจะทำจึงได้เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองตักเตือนตนเองสอนตัวเองให้ทวนกระแสจิตเข้ามาสู่คายสู่จิตนี้ทำยังไงจิตนี้มันถึงจะสงบได้ละเอียดละอ นี่นะเราก็ดำริเข้าไปทำยังไงจิตนี่มันถึงจะวางอารมณ์ต่างๆภายนอกก็ต้องดำริเมื่อดำริก็อย่างว่านั่นแหละก็ต้องทวนกระแสกลับเข้ามาอย่างที่แนะ น, นำนี่แหละมันถึงจะสงบลงได้วิธีอื่นดูเหมือนจะไม่มี มันก็มีเท่านี้แหละผู้ที่จะเจริญกรรมฐานใดๆถ้าไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในนี้ก่อนแล้วมันเจริญไปไม่ได้เพราะมันขาความคิดจิตมันไปพอใจในอารมณ์อื่นนู่นไม่ใช่อารมณ์ของกรรมฐานแล้วมันจะมาเพ่งกรรมฐานภายในนี่เห็นได้อย่างไรเล่ามันพอใจอารมณ์ภายนอกนู่นอยู่ นั่นแหละอารมณ์แห่งกรรมฐานไม่ใช่ทั่วไปนะก็จำกัดและดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบข้อนั้นจำกัดอยู่ในสี่สิบข้อนั้นแต่ว่าทรงสอนให้เอาข้อใดข้อหนึง่งไม่ใช่สอนให้พิจรารณาหลายๆข้อพร้อมๆกันไป ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้จิตใจก็สงบไม่ได้อีกเหมือนกันนะเช็นถ้าหากว่าเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกแล้วก็เ อ, อ้าพยายามจับลมหายใจเข้าออกนะให้มันได้อย่างนี้นะถ้าหากว่าบริกรรมพุทโธแล้วอย่างนี้ก็พยายามนึกพุทโธอยู่ในใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะอย่าให้พุทโธมันออกนอกไป ย้อนว่าใจนี่มันสงบลงแล้วมันหยุดไปเองหลอกพุโทโธนั่นนะเมื่อพุโทโธดับไปมันก็นเหลือความรู้กับสติอยู่ภายในนั้นอก็แสดงว่าจิตมันรวมลงแหลนะนั่นนะถ้าจิตมันไม่รวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันมันจะไม่หยุดนึกพุโทโธเลยเป็นไงนถ้าผู้ที่เพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ ถ้าจิตมันรวมลงได้แล้วลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ละเอียดลงไปมันไม่หยาบเหมือนเดิมอ่ะอมันเป็นอย่างนั้นต้องสังเกตดูถ้าหากว่าลมหายใจนี่ยังหยาบอยู่ยังปรากฏว่าหายใจแรงอยู่เนี่ยก็แสดงว่าจิตนั้นมันไม่ลงอ่ะอจิตมันค้างอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแหละ ต้องสังเกตดูให้ดีถ้าจิตมันลงไปมันรวมลงไปแล้วลมหายใจมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับเนี่ยสังเกตเอาตรงนี้นะที่ว่าจิตมันรวมลงหรือไม่รวมลงนะอันนี้น้ำตาสาคัญนะการฝึกฝนจิตใจนี่นะ ถ้าหากว่าเราไม่พยายามทําใจนี้ให้สงบแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนะไม่เรียกว่าปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นได้เลยถึงแม้เราจะเรียนจําเอาข้ออัดข้อทำต่างๆเหล่านั้นได้มา แล้วก็ตามนะจะจำได้ยังไงก็ช่างถ้าว่าจิตนี้ไม่มาสงบตั้งอยู่ภายในแล้วความจำอันนั้นมันก็ไม่เป็นอุปการะแกจิตใจให้ละกิเลสตัณหาอะไรได้เลยอย่าง้พิ่งเข้าใจถ้าว่าเรามาฝึกจิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในนี่ได้แล้วอืม บรรดาคุณธรรมต่างๆที่เราเรียนเราจำหรือเราฟังมาหมดนะมาน้อมเข้ามาใช้าภายในจิตใจนี้ก็ได้ผลเลยอ่ะได้ผลเช่นยกตัวอย่างอย่างว่าบุคคลใดเป็นผู้มากไปด้วยราคะตัณหาความรักความใคร่ อย่างรุนแรงอย่างนี้นะเมื่อไดมาเพ่งร่างกายอันเป็นส่วนภายในเนี่ยให้มันเห็นเป็นอสุภะของไม่สวยไม่งามเป็นของเน่าของเหม็นถ้าเพ่งดูแล้วก็ อ, อสุภะนิมิตก็ปรากฏขึ้นในจิตใจนั้น เห็นปรากฏว่าร่างกายนี้เน่าเฟะเบื่อผุพังไปอยู่นี่นะเมื่อจิตมันเห็นอสุภะนิมิตชัดๆอย่างนี้แล้วมันก็คลายความรักความใคร่นั้นลงไปเพราะว่ามันรักมันใคร่มันก็รักรูปอันนี้เองเสียงนั่นก็เรียกว่าสู้รูปนี้ไม่ได้ มันมันรักใครในรูปนี่เนะี่ยมากกว่าเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถ้ามันคลายความรักความใคร่ในรูปนี่ลงได้แล้วมันก็คลายในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆนั้นลงได้เลย mm. เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เอาใจใส่ให้มากทีเดียวการเพ่งพิจารณาอสุภะกรรมฐานนี่เนะี่ย เพราะว่าทุกคนย่อมมีความรักความใคร่อยู่ในใจทั้งนั้นแหละต่างแต่มากและน้อยกากันเท่านั้นเอง <c oughs> เมื่อมันไม่คลายความรักความใคร่ออกไปแล้วจิตก็สงบลงไม่ได้เลยนี่มีแต่มันวิ่งไปหาสเสวงหารูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจอยู่อย่างนั้นแหละ มาดีเมื่อมันไม่ได้สมหวังเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดความชังความกโกรธขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นไปมันเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้ เ, เพราะฉะนั้นกิเลสตัวนี้นะพระพุทธเจ้าจึางได้จัดโดยหัวหน้าหมู่เล ย, เยราคะโทสะโมหะนี้มานะทิฐิลำดับกันไปอย่างนั้นนะ แสดงว่าราคะตัวนี้เป็นหัวหน้าหมู่จริงๆนะมันต้องรักก่อนแหละก่อนที่มันจะเกลียดจะชังจะโกรธกันนะเหมือนอย่างคนบางคนนี่นะบางพวกนะเป็นเพื่อนฝูงรักใคร่กันเต็มที่เลยอย่างนี้เนะี่ยผูกมิดไมตรีจิตต่อกันดีๆเนี่ยนะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไป ไปๆแล้วต่างคนต่างไม่สำรวมจิตตัวเองปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆเข้าไปเผลอไปกระทบกระทั่งเข้าแล้วบัดนี้โกรธกันขึ้นมาแล้วยับย่างใจไว้ไม่ได้เลยแต่ก่อนรักกันบัดนี้โกรธกันแล้วนี่แหละให้สังเกตดู ดังนั้นเลยพระศาสด า, าจึงได้จัดความรักของใครในไปเป็นหัวหน้าหมู่เลยทีเดียวอย่างเช่นสามีภรรยาหมู่นี้เนะี่ยกวจะได้มาเป็นสามีภรรยากันก็เพราะมันรักใครกันนั่นเองไงเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันเกลียดชังกันแล้วมันไม่ได้มาเป็นสามีภรรยากันหรอกไม่ได้มาเป็น คู่ทุกข์คู่ยากกันเลยเมื่อเวลาอยู่กันไปอยู่กันไปล่ะอ้าวทำการทำงานเกิดอุปสรรคขัดข้องหาเงินหาทองไม่ค่อยได้การงานก็ยุ่งยากลำบากมากทำอะไรลงไปก็มีตั้งแต่อุปสรรคไม่ค่อยจะได้สมหวัง มาในจิตใจก็บว่าวุ่นขึ้นมาแล้วอ่าก็เกิดขัดแย้งกันขึ้นมาโทษกันไปทถื่อเถื่อเราอันนี้นะหาว่าไม่ช่วยกันหาว่าไม่เอาใจใส่อะไรต่ออะไรกันไปคนโน้นก็โทษคนนี้คนนี้ก็โทษคนโ น, น้นเข้าไปหลงเอ่ยกันไม่ได้แล้วก็แยกทางเดินกันแตกสามัคคีกันไป มีอยู่ถมไปในเรื่องมูลนีนะ่นั่นแหละความรักกับความชังนะอันใดขึ้นหน้านะลองสังเกตดูสิเพราะฉะนั้นเมื่อละความรักอันนี้ลงได้น่ะมันก็ละความชังได้เหมือนกันนะมเมื่อไม่รักแล้วมันก็ไม่ชังเละเป็นธรรมดามเพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรน่าเกลียดน่าชังเี่ พอพิจารณาเห็นแล้วว่าอัตภาพร่างกายนีนะ่มันเป็นของไม่สะอาดเลยนะสกปรกโสมอ ม, มนะถ้าเพ่งด้วยอำนาจแห่งยุติธรรมนะเพ่งแบบยุติธรรมนะไม่ลำเอียงด้วยความรักความชังนะเพราะยุติธรรมลรวก็หมายความว่าก็ร่างกายนี่มัน มันมีอาหารเป็นเครื่องรอเรียเ่ยงนี่อาหารละมันสะอาดหรือมันสกกระโปรงล่ะนั่นลองคิดดูสิไม่ต้องคิดให้ลำบากเท่าไรแล้วธรรมดาอาหารเนี่ยมันก็เป็นของสกกโปรอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่รับประทานเข้าไปไม่กลืนเข้าไปในท้องในกระเพาะเอาทิ้งไว้ข้างนอกนี่นานๆเข้าไปก็ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นเอง บูดเน่าไปเลยรับประทานไม่ได้เลยเหมือ น, นลองคิดดูการที่มันปรากฏว่ามันดีอยู่เพราะว่าเมื่อปรุงมาทีแรกนี่มันก็ยังไม่เสียก็รีบรับประทานเคี้ยวกลืนเข้าไปในกระเพาะนุ่น อ, อาศัยกระเพาะมันหุบเอาไว้ปกปิดไว้ม่ให้มันส่งกลิ่นออกมาข้างนอก มันก็จึงพอประทังได้นะเรื่องอาหารนี่นะเมื่ออาหารนี่มันไม่สะอาดแล้วอย่านี่ร่างกายนี่มันจะสะอาดได้อย่างไรอะ่ะเพราะร่างกายนี่มันอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ได้อยู่ได้ด้วยของสกปรปกนี่จะไปเอาของสะอาดสะอาดนั้มาบำรุงมันก็ไม่ได้อีกมันไม่ยอมรับอีกเหมือนกันนะนี่ลองคิดดู เป็นอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของผุพังอย่งนี้บ่อยๆแล้วมันก็ไม่รักไม่ชังเลยอ่ะ บ, บ้านี้ล่าความรักได้ความชังมาก็หายไปก็บ้านี้ก็เลยเพ่งไปจากความเน่าความเปื่อยผุพังก็กลายเป็นธาตุบ้านี้นะนั่นเนี่ยส่วนใดเป็นธาตุดินมันก็ลงไปเป็นดินของเก่า ส่วนใดไปเป็นธาตุน้มามันก็เป็นธาตุน้าของเก่าหรือเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมไปตามเรื่องของมันก็เท่านั้นเองเนี่ยรูปกายอันนี้มันจะมีอะไรแล้วแต่คนเรานี่เนี่ยมันไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้มันก็มาบกพร่องอยู่ตรงนี้แหละ ให้พากันเข้าใจเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องเพียรพยายามที่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในบ่อยๆเอ้ามาเพ่งกายนี้เสมอไม่ว่าแต่เวลานั่งสมาธิเลยถึงไม่นั่งสมาธิก็าตามได้โอกาสก็กำหนดจิตเข้าเพ่งเข้าไปในกายนี้เลย ให้เห็นร่างกายนี้ตามสาภาพความจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะอย่าให้มันเห็นไปว่าเป็นของสวยของงามฮนะัดก็ยังว่าฝึกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้มันจะจิตใจนี้มันก็ไม่น้อมไปเลยไม่น้อมไปในความเบื่อหน่ายเลยมันก็จะน้อมไปแต่ในความรักเพราะว่าไอเรื่องความรักนี่มันสะสมมานานแล้วเรื่องมา น, นะ เกิดมาชาติใดพบใดที่ล่วงมาแล้วนู่นมันก็สะสมความรักความใคร่นี่แต่ไว้ในใจมันไม่มันมันมันไม่ได้สะสมความเกลียดชังไว้ในใจหรอกความจริงนะความเกลียดชังนั้นมันมาทีหลังแบบนี้นะมเมื่อมันไม่สมหวังในความรักแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดชังไป มันเนอย่างดังที่ยกอุทาหรณ์ให้ฟังมานั่นเลยแม่เกี่ยวกับคนอื่นก็เหมือนกันนะที่แรกเราก็รักให่กันดีกันอย่างที่ว่ามานั่นเลยแต่ที้เมื่อผู้นั้นเผลอตัวไปแสดงความไม่ดีต่างๆกิริยาไม่ดีอะไรต่ออะไรออกมาแล้วอย่างนีนะ้คนรักก็เลยกลายเป็นคนช่งไป นี่มันเป็นอย่างนั้นที่เมื่อเราเมื่อเรามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเนา่าของเปื่ออยู่ของแตกของดับอย่างนั้นลงไปบ่อยๆจนมาเกิดงานความรู้ขึ้นในใจน่นงานความรู้ในที่นี่หมายความว่ามันไม่เสื่อมมันปรากฏอยู่ในใจนั้นเสมอที่นี้เมื่อบุคคลที่ว่าตนเคย รักให้พอใจมานั้นนะทำไม่ดีไม่งามต่างๆให้แสดงออกซึ่งความไม่ดีต่างๆออกมาทางกายวาจาเนี่มันความรู้ดังที่ว่ามาแล้วนะมันก็จะมาปรากฏในใจเลยหืออันนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะอเป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมต่างหามันแตกมันดับไม่ใช่จะไปเกลียดสั่งมันทำไมมันไม่ดีกับเรื่องของมัน มันดีกับเรื่องของมันไม่ใช่ของใครอ่ะคือเรื่องของสังขารจิตดวงนั้นมันเมื่อมันถูกอวิชชาครอบงมย่ายีเอามันก็หลงไปทำดีไปบ้างทำชั่วไปบ้างพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างเวลาใดมันรู้ทวมกับพูดดีเวลาใดมันลืมทวมกับพูดชั่วทำชั่วนี่เมื่อเราพี่นะถึงต้นตอ ของความดีความชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราเองบ้างคนอื่นบ้างเห็นสภาพตามความเป็นจริงอี่นี้มันก็ปล่อยวางได้เลยหรือว่าถ้าพูดถึงให้อภัยก็ให้อภัยกันไปได้เลยอืก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไว้เลยนี่มันก็เป็นอย่างนี้เลยอนุบายวิธีละกิเลสนะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าพูดเรื่องหมู่นี่ย ไม่ว่านักปวดไม่ว่าผู้ครองเรือนก็ไม่อยากจะเพ่งพิจารณากลัวว่ารสชาติแห่งความรักความใคร่นั้นมันจะหายไปผู้ครองเรือนยิ่งแววใหญ่ยิ่งไม่ต้องการพิจารณาเพราะว่ามันมันพอใจในรสแห่งความรักนั้นอย่างทราบซึ่งตรึงใจจริง ก็อันนั้นแหละมันพาให้เป็นทุกข์มาในสงสารอันเนี้ยมันควรจะคิดให้มันเห็นเมื่อคิดเห็นได้แล้วอย่างนี้นะหากว่าตนละให้เด็ชขาดลงไม่ได้มันก็จะบันเทาลงเอทําให้ความรักความใคร่เนี่ยมันบันเทาลงเมื่อมันบันเทาลงแล้วมันก็มาปรับพฤติธรรมนี้ได้ทําใจให้สงบลงไปได้นี่ อย่างนี้แหละถ้ายัางไปชื่นชมยินดีกับความรักความใคร่เต็มร้อยเปอร์เซนต์อยู่นั่นแะไม่มีทางเลยที่จะมาฝึ ก, กจิตใจนี้ให้สงบลงได้เมื่อใจไม่สงบแล้วอันบุญกุศลที่ตนทำมาหมดนั้นมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยนะอันที่ว่าสุขขอปุญญาสาอุจจโย การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนั้นไม่มีความหมายเลยทำไมลนะ่ะก็เพราะจิตมันไม่รับเอาบุญนี่มันไม่พอใจในบุญนี่มันไปพอใจในความรักความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงพากันพิจารณาให้มันเห็น ในเรื่องหมู่นี้นะใครพิจารณาไม่เห็นแล้วก็ติดก็คล้องอยู่ในโลกอันนี้แหละมันคล้องธรรมดาก็ยังชั่วหน่อยมันให้ไปทำบาปนี่สิมันรร้กาดนั่นแหละถ้ามันไม่ทำบาปแม่มันจะคล้องอยู่ในโลกนี่มันก็ยังนับว่าพอหายใจโล่งได้ห น, น่อย